ในช่วงคุยธรรมะในวันนี้อาตมาพระไพบูลย์แต่ละท่านแต่ และหลายท่านได้พบเจอเหมือนกันนั่นในขณะที่เราทําหน้าที่การงานเนี่ยการทํางานการเอ่อทําถอยมี มีความไม่มีกําลังใจที่จะทําอะไรต่อไปหนักมันตื้อมันตึงมันมึนมันเบื่อไม่อยากจะทําอยากฆ่าสังคม เบื่อสิ่งนั้นสิ่งนี้ทําอะไรไม่ถูกเลยเบื่อความหมดกําลังใจความหมดอาลัยตายอยากหรือถ้าๆเนี่ยมันพวก นทีนามิธะเนี่ยคือความประชาเอาใช้แปลคําปนิตี ขอพูดถึงตัวมันซะหน่อยก่อนพระเจ้าเปรียบ issueri นะ undี้ ก็ต้องไปโรงพยาบาลเลยทีเดียวนะก็มันทําอะไรไม่ได้นะบาง ดาวหญิงกันเยอะแยะถ้าไม่เคยป่วยเองน่ะจะไปตามโรงพยาบาลหรือว่าเคยเห็นเหตุการณ์ที่เขาป่วยกันเนี่ยโอ๊ยมันหมดที่พระเจ้ายกที่เราป่วยเนี่ย แล้วมึงเราก็ทําอะไรไม่ถูกนอนซมอย่างเดียวทั้งวันน่ะเป็นลักษณะ นะนิวรอันนี้เนี่ยคือตินามิฐะนะคือความง่วงเอาหาวนอนไม่ใช่แค่นั้น น้ำมันจะไหลไปเนี่ยมันกลับรั่วไปตรงนั้นตรงนี้รูหนึ่งในตรงนั้นเนี่ยคือไอ้เจ้า ไม่มีเรี่ยวแรงไม่มีกำลังมีความท้อแท้ท้อถอยหมดกำลังใจคุณบรรลุนิพพานไม่ได้หรอกจิตมาหาเรามันไม่ จุลินทรีย์ต่างๆในท้องในระบบเลือดของเราเนี่ยมันมีอยู่ตลอดแต่เพราะว่านึงที่เราจะมีความมึนหรือว่าคิด ทำอย่างไรล่ะเมื่อที่เบื่อเซ็งสังฆาตายแล้วเราก็คิดอะไรไม่ออกเมื่อๆเนี่ยมันจะดับจะมอดอยู่ ในทางตรงกันข้ามถ้าเราเติมเชื้อเข้าไปแล้วเติมฝืนเข้าไปน้ําเป่าลม ไอ้ธรรมพวกสมาธิสัมโพชงอุเบกขาสัมโพชงปสติสัมโพชงไหนยิ่งจะทํา นี่ทำไมถึงเป็นอย่างนี้ยากยะได้ยังเอากิเลสออกจากจิตของความพึงดีไอ้เจ้าอ่านิพพานไอ้เจ้าที่นมิทะที่มัน นั่นยังธรรมวิจยะสัมโพชงเนี่ยนั่นคือการคิดวิเคราะห์ไคลครวน 84,000 หัวข้อ 3-4 หน้าก็ได้นั่นครวน 4 น่ะไม่หน หรือว่าเรื่องของกิริยาสัจเสียทําไมต้องมี 4 อย่าง 3 อย่างได้มั้ยเรามันคิดใคร่ครวญเนี่ยจิตเราจะ ก็ไม่มีทางออกยิ่งหมดกําลังใจน่ะก็อีกเราอย่าไปคิดประการหรือว่าตรงนี้มันเป็นอย่างงี้เราไคล อันนี้ทีหนึ่งอันที่ 2 เราจะให้จิตใจของเรามี เรื่องจะมีความสุขอันนั้นไม่ใช่ที่พูดถึงที่หมายถึงในที่นี้ เอาสิ่งที่เป็นกุศลธรรมเข้าไปในจิตของเรานะความเพียรในที่นี้เนี่ยอยู่ๆสักใครทํา 3 อย่างนี้ได้เนี่ยมันต้อง ศรัทธาเนี่ยจะทําให้เรามีกําลังคือคนที่มีลังเลสงสัยในคําสอน นั่นคือจะเป็นผู้ที่ปรารภความเพียรการปรารภความ นะใครสักคนในคนหนึ่งจะมามีศรัทธาในคําสอนศรัทธาในตัวของพระพุทธเจ้าได้อย่างไรท่านฟังรู้ไหมก็พระอิติปินั่น ตัวอาตมานะเวลาที่เราหมดกําลังใจบางทีบางทีที่เราเหนื่อยทํางานเยอะแล้วก็คิดอะไรไม่ นักคนที่ฝ่าฟันคนที่ทําความดีคนที่ไม่ย่อท้อต่อความๆนึก ใครก็ได้ที่เป็นตัวอย่างในการดําเนินชีวิตที่ทําเราคิดถึงแล้วมันมีกําลังขึ้นมาเรา ส่งข้อมูลให้ฟัง